ติโมกทันขึ้นใหม่วันนี้ขึ้นครั้งแรกภาพรวมก็ดีนะถ้าน่าจะใช้ได้ผ่านได้แต่รู้สึกว่าจะกินสละไปสักหน่อยมันจะเร็วไปสักหน่อยต่อไปพยายามให้ใช้ช้ากว่านี้หน่อยแล้วก็ดูสละสละอะมันกินสล ะ, ะเกือบหมดกินสละอาสละอาเป็นอาเกือบ มากมากเลยตัวมันกล่ำกล่ำกันใกล้ๆกันคุณฝึกให้ปลูกช้าๆกว่านั้นเพื่อมันชํานานก่อนอย่างค่อยอย่างค่อยท่องเร็วอย่างค่อยว่าเร็วปุกปับขึ้นมาเร็วเลยไม่ได้นะกินตัวหนังสือผู้ฟังขนาดผู้ที่เคยผ่านปฏิโมกมาแล้วฟังก็ยังมันยังกินตัวหนังสืออยู่ผู้ทีมไม่ชํานาญ คือฟังขนาดานั่นแปลว่ามันกลัวไปหมดเลยอ่ะให้บ่งให้ดูให้ดูใช้ได้ที่ภาพรวมนะผ่านได้แต่ว่าต่อไปต้องระวังเรื่องตัวหนังสือนั่นแห ะ, ะ, ะสระอสระอาสระอีสระอูแต่ตัวหนังสือบางตัวกัอ่อนไปนี่พิกคุตโตพอจุเผานรู้สึกว่าจะอ่อนไป แล้ตัวลงคอพยายามดูดูดตัวลงคอตัวศพก็เท่าตัวทงตัวอสะเพาว่ะสิตจะอ่อนอ่อนไปเสียงเสียงไม่ค่อยหนักแน่นนี่คืจวนจะเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันสิบห้าคำเดือนดับแปดหนึ่งแปดหนึ่งดับเท่ากัาเดือนเดือนเจ็ดวันนี้เดือนเจ็ดดับเป็นวัน เข้าพรรษาเพ่งหน้าเนะเพ่งหน้าไปว่าเข้าพรรษาอีกสิบห้าวันจากนี้ไปถ้าที่ว่าไปแล้วก็ไม่ไม่ไกลเลยนะใกล้ๆขอให้มุ่งพวกเพื่อนช่วยๆกันดูกุฏิศาลาหลังไหนกุฏิหลังไหนที่มันรั่วมืดเชา้าเนี่ยนะโจมเขามาบอกว่ากุติปอไปดูหรือยังไงฮะอา้าวทำไม ต้องรีบรบไปดูนะฝนตกมันเสียหายของนะเข้าใจไหมมันรั่วนอ่ะไพ่ไพจะไปดูไปดูกุฏิปอเราบอกแล้วรีบไปนะมันพับมันตกมามันเสียหายของอ่ะตกใส่หลังตู้อีกผ้าเปียกหมดก็เสียของหมดน่ะไม่ใช่มันจะช้าตัวนี้มันต้องเร็วตัวไหนควรเร็วตัวไหนควรช้าตัวไหนควรช้าก็ช้าได้ตัวไหนควรเร็วมันต้องเร็วมาได้ยินแล้วก็รีบจัดการ ไม่ใช่ว่าตัวไหนควรจบควรเร็วแล้วก็ไปช้าอยู่นั่นแหละฝนตกจนพังหมดแล้ยังคอยไปทำํำมันใช่ไม่ได้นะลังคาตัวนี้มันรั่วนะรีบจัดการมันอาจจะกระเบื้องอาจจะเล่งนึเ ก, กิ่งไวายนะมันหล่นลงไปใส่อะไรใส่ก็เถอะมันแตกแล้วกันนะั้นเราเป็นหน้าที่ของเราจะต้องซ่อมนะมันอะมันรั่วที่ตรงไหนมันลงใส่หลังตู้เลยนะเขา้า่นะ ตกใส่หลังตู้ลงตัวไม้อัดเป็นไงเดี๋ยวก็พองขึ้นมาต่เสียหายหช่วยๆกันดูนะเวลาเราก็ไม่มั่นใจพอพ้นจะตกหรือเปล่ากลางค่ำกั า, าคืนเนี่ยเพราะนั้นช่วยๆกันดูเสนาสะนะกุฏิหลังไหนที่มีปัญหาช่วยๆกันดูนะผมมดปวกขึ้นไม้แต่ช่วยกันรับผิดชอบ คนละโซนละโซนกันก็ไม่มีปนนะัญหาอย่าไปไปคนเดียวอย่าไปไปทั้งหมดหรือคนมอบบอยคนสองคนไปทั้งหมดไม่ได้องค์นั้นก็องค์นั้นดูแลกุฏิลานหลังนั้นนะแต่นี้ก็ผู้รับผิดชอบก็ต้องดูไปดูเลยแต่ไหนกิ่งไม้มันเฟ้ยเข้ามาไหมจะตัดออกเกี่ยวออกดึงออกอย่าให้มันเฟ้ยทับหลังคานะ ื่อยทับลังคาไม่ได้เป็นบางทีของงูเข้าบางทีก็มแมลงพวกมดนะมืเช้าเนี่ยที่ต้นกระบกใจข้างคุติผมเสียงกรลอกมันมากินมักตุกกระบกร้องสนั่นวันไบเอ้มันอะไรแล้ววะที่ไหนได้มันเป็นเห็นมันเห็นงูไม่เห็นงูเลยอยมันก็กลัวมันบอกกันนะ แล้วพิษภัยนะว่าอีกพิษภัยอะตัวนี้ก็ล่องตัวนี้ก็ล่องลอกโอ้โหก็หรอกเป็นสิบยี่สิบตัวมันล่องแต่มันไม่ล่องปอกๆนะมันล่องจี้จี้จี้จี้จีมันมันเห็นอะไรนะเราเอ้มันเห็นเหยี่ยวอะไรนะวะพอไปดูทดูดูเราไปเห็นงูงูเขียวตัวบักใหญ่มันก็นั่นแหละมันบอกกันนี่แหละถ้าว่ารังคาของเรามันถูกไม้เฟื่อยเข้ามา อาจจะมีงูมีอะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นพวกเราถงช่วยๆกันดูนะสิบห้าวันแล้วก็พร้อมกันให้จัดนาคเขาประจำที่หนักชอบหลังไหนโดยเฉพาะนากผู้สูงอายุให้อยู่กุฏิหนะ้ากุฏิตีหวยกุฏิจินตนากุฏิห้องแต่เจษมันผู้อยู่ใกล้ๆไม่ต้องอยู่ไกลผู้สูงอายุห น, นากหนุ่มๆก็ให้อยู่ไกลไปหน่อย ให้ช่วยๆกันดูเรื่องบริขารก็เหมือนกันบริขารก็ถ้าว่ามันพอเหลือไม่พ อ, อยังไงก็บอกผมรีบๆบอกจะได้จัดการหาให้มีปัญหาหรอกว่เรารู้จักแต่งมันอยู่แล้วก็นเนี้ผ้าก็มาเรื่อยๆอยู่ช่วยๆกันดูบาทพวกอะไรก็คงจะไม่มีปัญหา เพราะว่าบาดเจ็บเละทุกวันนี้แล้วก็เป็นห่วงเรื่องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหลายองค์ระวังนะใครนะอย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปาัญหาถ้าทําสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วมันเป็นแผลติดใจติดตัวเองตลอดถึงวันตายนะไม่เห็นหมอกคูบาข่าวก่อนอะไรท่านอะไรลงหมัดลงมวยกันเห็นไหม มันร้อนนะมันอยู่ไม่ได้นะในศาสนานะศึกไปดูดูรอว่ามันมีส่วนนะ่ะเพวัะ น, นั้นต้องใจเย็นอยู่ด้วยกันมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันวัดของเราเป็นวัดระเบียบระเบอพอสมควรนะผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ผู้มีระดับเราจะมาเห็นเสื้อเสื้อสะสนักเดงอยู่ในวัดไม่เอานะต้องช่วยกันดูนะถ้าทุก อ, องค์เราช่วยกันดู ท่านดูแลไม่ได้เรื่องนะบอกผมผมเป็นเจ้าของของวัดต้องดูแลความรับผิดชอบทุกอย่างถ้าองค์ไหนไม่ดีนิสัยเกเรนิสัยนักเลงมีอะไรไมีแต่โมโหโทโสโกโทาให้แก่มู่เพื่อนนะบอกผมชอบใจร้อนนะถ้าใจร้อนเนะีย่ยจะไปหายใกล้กุฏิเรานะไม่ต้องทํางานต้องไปแล้วครับจิตอารมณ์ของตนเองก่อน ถ้าเกี่ยวข้องกับคนปันใจร้อนหยุดทําทําไมทําไม่เกิดประโยชน์ไปทํากุฏิเราเหมือนกันไม่ต้องทําทําไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ถ้าทําแล้วให้เกิดประโยชน์ทำํำทลายยิ่งใจเย็นทําถวายครูบาอาจารย์ทลายยิ่งใจเย็นนะจึงจะถูกทํำทลายยิ่งใจร้อนมันไม่ถูกล่ะทําเทลายยิ่งโมโหโกธาเห็นคนอื่นคว้างหูข ว, งขวางตาไปหมดนะใช้ไม่ได้ เราะต้องดูกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าต้องเป็นตัวอย่างของพระใหม่ที่ผมพูดแล้วข่าวก่อนพระเกา่าพระที่มีอายุพันศาต้องเป็นตัวอย่างของพระใหม่ไม่ใช่เป็นตัวอย่างทางชั่วนะไม่ใช่ว่าทางมัดทางมวยไม่ใช่อย่างนั้นต้องศีลและธรรมศีลอาจารวัตกิริยามรรญาทตห่อ น, น้อมถ่อมตน รู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักคําพูดอันไหนเหมาะสมไม่เ ห, หมาะสมอย่างไรอย่างนั้นมันจึงจะถูกเป็นพระเก่าต้องแนะนําอันไหนขาดเหลือขาดตกก็แนะนําพระใหม่ผู้ที่เข้ามาใหม่ไม่ใช่ว่าผู้เข้ามาเก่ามีแต่พูดถากถางเย้ยหยันไม่เป็นที่อบอุ่นของพระที่มาใหม่ไม่ได้นะพระที่มาใหม่ก็เหมือนกัน ต้องดูพี่ๆของเขาเขาพาทำยังไงเขาบอกกล่าวยังไงกับฟังฟังพราะพวกเราเข้ามาศึกษาเข้ามาศึกษาก็ต้องหูก็ต้องได้ฟังตาก็ต้องเห็นถ้าจะให้แต่หลวงพอ่อองเดียวเป็น ค, คนบอกไม่ได้นะจะให้หลวงพ่อเป็นผู้แสดงบอกกล่าวองเดียวไม่ได้พวกเราเข้ามาศึกษาก็ต้องตาดูหูฟังใจสำเนียย ใจต้องไตรตรองเหตุและผลอันนี้ผู้เข้ามาศึกษาแล้วผู้เป็นพระที่เป็นรุ่นพี่ก็ต้องทําเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่ามาอยู่วัดของผมนานเท่าไหร่ ย, ยิ่งสารเลวลงไปเรื่อยๆไม่ได้นะผมไม่ได้ฝึกหัดให้หมูเ่เลวนะผมฝึกหัดให้หมู่เป็นต่อไปเป็นหัวหน้าของหมู่ของคณะเป็นเจ้าวาด ไม่ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันช่วงฟ้าดินสลายได้เมื่อไร่ถ้าออกไปต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านต่างหลายไปสมัคคีกันเห็นกันหนึ่งกันะยี่จะไปหมดน่จะได้เหรอมันต้องสมัคคีกันไว้รักกันไว้มีความพร้อมเพียงกันสมัคคีกันมีอะไรขาดเหลือขาดตกบอกมา เรื่องปัจจัยสีของพวกเราก็บพอเป็นพอไปไม่ถึงก็เดืดร้อนข่าวน้ําโภชนะอาหารกับพอเป็นไปตอนเช้าจะตุ ป, ปัจจัยน้ำนํำดื่มน้ําอะไรกับมีพร้อมมีแต่พวกเราให้ตั้งใจภาวนาท่านนะแต่ภาวนาพวกท่านขาดตุกบพ่องนะผมว่านะขาดตุกบพ่องในการทําสมาธิในการภาวนาในการปฏิบัติให้พวกเราทั้งหลายมองดูตัวเองวันหนึ่ง อย่างน้อยกอนมีการเดินจงกลมสักครั้งหนึ่งก็ยังดีวันนี้มันรางจงกลมมันเศร้าหมองหมดมันมาวกวนเวียนอยู่แถวนี่เป็นนักลงนักเลงอยู่แถวลงต้มนะไม่ได้นะหมูต้องฟังหมู่กฎกติกาอะไรที่ตั้งกันเอาไว้ก็ต้องฟังปัดกวาดเวลาเท่าไหร่ถึงได้เวลาแลว้วก็ลงปัดกวาด ทำชลาเวลาเท่าไร่ช่วยกันทําเมื่อตั้งกฎกติกากันขึ้นมาแล้วใครเป็นคนดูแลห้องน้ําห้องส้วมก็ต้องดูแลกัน ต, ต, ตั้งกันไว้อีกเหมือนกันพอเหตุลไยเพราะว่าวัดของเราเนี่ยวัดวาศาสนามันจะวัดห้องน้ําห้องส้วมมันเป็นของพระของเราเราก็ต้องดูแลรักษาทําความสะอาดคุณโบราณเขาวอก ดูวัดให้ดูฐานดูบ้านให้ดูครัวถ้าดูสมภารให้ดูพระอุปถาดให้ดูเนนน้อยให้ดูพระอุปถาดถ้าพระอุปถาดนิสัยกิริยามารยาทเรียบร้อยแสดงว่าสมภารแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวดีแต่เนนน้อยหรือพระอุปถาดเกิดละลานแปลว่าสมภารไมาได้เรื่องอ่ะเพราะนั้นต้องดูนะ ดูบ้านดูวัดให้ดูฐานฐานก็คืออะไรก็คือห้องน้ำนั่นแหละถ้าไปวัดไหนมีตะศกกระโปกเวลาไปนั่งถ่ายนู่นมองหน้าขึ้นฟ้ามันมันเหม็นอย่างงั้นใช้ไม่ได้ละเราต้องไปช่วยๆกันทําความสะอาดแทนเป็นลักษณะนั้นต้องดูพระที่มีอายุพรรษาไม่ใช่จะเออละเหยลอยลงไม่ได้นะต้องตรวจตราดูต้องต้องล่อมต่อมมองมอ ง, มองดูนั่นดูนี่ทํามันศกกระโปงเออเขาทํา ทำไม่นั่นก็เอาสอนบอกหมูเอาเขามาทํำองค์นั้นองนี้ไม่ใช่จะปล่อยไปลแล้วเลยให้พ้าน้อยทําอย่างเดียวก็ไม่ได้อย่างผมก็ทําหน้าที่อีกอย่างหนึ่งหนักหนาสาถัดพอสมควรบางครั้งนะแต่บางครั้งก็เออมันมีบางครั้งบางคราวเหมือนกันแต่ติยังไงหมูพกเพื่อนทุกองนะ์น่ะยังขอนิสัยจับผมอยู่พวกท่านทั้งหลายต้องช่วยกันดูช่วยกัน ดูวัดวาศาสานาดูแลญาติโยมดูแลพระด้วยกันอย่าให้ขาดตกบกพร่องอยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นไม่ใช่อยู่ด้วยกันถูกันอยู่ด้วยกันด้วยความแบดวาดรูแวงถ้าอยู่กันด้วยกันวาดรูแวงนะั้มันภาวนาไม่ได้นะกรรมาฐานนะจะพูไทยถ้ามันไม่ลงกันภาวนาไม่ลงนะ คนท่านองค์ใดก็ตามถ้าว่าเ ก, กาียกละลานนิสัยไม่ดีบอกผมผมจะไม่ให่อยู่วัดพ่อยไยเพราะทําให้หมูพวกอื่นหนักใจภาวนาไม่ลงเพราะนั้นต่างองค์ก็ต่างระวังระวังตัวเองระวังระวังคําพูดตัวเองระวังระวังอากัปกิริยาของตนเองอย่าให้กระทบกระแทกคนอื่นทํามันกระทบกระแทกกันโอนอื่นก็เอาครูบายจาย์หมูพวกเพื่อนก็นมีอยู่แล้ว เป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวแต่ถ้าอากว่าทำตัวไม่ดีจริงๆนั่นนะผมเองไม่เอาไว้นะเพราะผมไม่ได้สอนอย่างนั้นผมสอนให้พระมีกิริยามารยาทที่ดีนิสัยดีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยรักกันสังฆสูรพนาให้รักกันให้พร้อมเพียงกันของสูงสูงทั้งหลายต้องพร้อมเพียงคือสามัคคีกัน อย่าไปแตกแยกสมัคคีกันให้รักกันเหมือนกับสหธรรมิกพี่ได้สองน้องได้หนึ่งปรึกษาปราัรบกันมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปภายภาคหน้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะได้คบค้าสมาคมกันรู้จักมักคุ้นกันพึ่งพาอาศัยกันมีอะไรขาดเหลือขาดตกจะได้ช่วยเหลือกันเราอย่าไปคิดสั้นๆสิอย่าไปคิดแบบ มุดทะลุอย่าไปคิดแบบนักเลงไม่ได้นะวัดนี้ไม่ใช่วัดนักเลงนะวัดอบรมศีลธรรมจริยธรรมนะถ้าจะออกมาตอกมวยนู่นลาดดําเนินลุงพินีนี่เขาประกาศรับอยู่แล้วตรงนี้เราไม่ได้ประกาศรับนักมวยนะประกาศรับพระที่มารยาทดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวิานายัย พวกเราทั้งหลายให้เข้าใจเข้าใจอย่างที่ผมบอกนะถ้าพวกเราทาอย่างที่ผมบอกนี่แหละความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าองค์ไหนบอกไปแล้วยังไม่ฟังนะยังไม่เชื่อนะถ้าเห็นอกับกิริยาอย่างไรตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปเรามาบอกผมเลยนะบอกผมเลยในพรรษาผมก็จะไม่เอาไว้ไเอาไว้ทำไมมันขวาง ไหลผ้าออกในพรรษาก็เคยมีอยู่แล้วนะเพราะเหตุอะไรเพราะมันไม่ดีน่เอาไว้ทําไมเอาไว้แล้วขวางนะเพราะนั้นต่างคองตังค์ระมัดระวังนะสำรวมระวังนะที่ผมพูดทางนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้มีอะไรทั้งหมดกับหมู่พวกเพื่อนรักทุกองมิตรตาทุกองค์ที่เขามาอยู่กับผมเหมือนกับลูกๆของผมน้องๆของผมมีอะไรบอกมาผมดูแลพวกท่านทานั้งหลายด้วยปัจจัยสี่ แต่ด้วนด้วยจิตใจนะผมก็มีแต่แนะนําสั่งสอนอย่างนี้ให้ปฏิบัติอยงนั้นนะทําอย่างนี้นะปฏิบัติอย่างนี้นะจากท่านพระนุษธรรมเทศนาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะศึกษานะก็ผมก็มีแต่แนะนําอย่างนั้นแต่เรื่องปัจจัยสี่นะีผ ม, มดูแลหมู่พวกเพื่อนอยู่แล้วขาดเต๋ขเอขาดเลื้อขาดตกอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรผมให้ถือว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นส่วนอื่นเป็นอวัยวะของผม เป็นนิ้วตีนนิ้วไม้นิ้วมือของผมทั้งหมดเป็นแขนเป็นขาของผมทั้งหมดทุกองค์ที่มาอยู่กับวัดผมผมไม่ได้ถือเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นนิ้วมือไหนเที่เป็นมะเร็งเนี่ยผมจะต้องตัดนิ้วมือนิ้วนั้นทิ้งเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นมะเร็งจะทําให้นิ้วอื่นๆเสียหายอแต่รักแสนรักขนาดไหนก็าตามต้องตัดทิ้งเพราะเหตุไรเพราะเป็นมะเร็งเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทัน้งหลายอย่าทําตัวเป็นมะเร็ง ให้ตัวทำตัวเป็นพระที่ดีอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันรักกันเอาไว้เมตตากันเอาไว้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเอาไว้ถ้าทำตัวไม่ดีอย่างว่านะเสียหายนะถ้าทำตัวเกลรกะลาะลานกันอย่างที่ผมพูดนะไม่ได้ละ ว, วัดเราวัดหลวงตาก็เหมือนกันหลวงตามหาบัวเสียบขาดมากถ้าพระชกต่อยตีกันนลยออกทั้งคู่เลย ไร้ผ้านี่วัดของตาเนี่บ่อยที่สุดเลยแต่ผมเลยต้องเตือนซะก่อนบอกซะก่อนทำบอกครั้งหนึ่งครั้งสองนั้น ย, ยังไม่ฟังเลยแปลว่าครั้งที่สามเนี่ยอู่ไม่ได้แล้วเพราะงั้นแปลว่าไม่แก่ตัวไม่ปรับตัวไม่แก้ไขตัวเองจะอยู่ได้ยังไงวัดมาศาสานาไม่ใช่ของหลวงพ่อองค์เดียวนะไม่ใช่ของผมองค์เดียวนะคนที่มาเกี่ยวข้องมีทุกระดับ บางทีผู้ที่ออกมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นที่ไหนที่ไหนมีแต่พูดมีความรู้ทางโลกมากกว่าแรงแล้วกลับมาศึกษาใ น, นหลักของพุทธศาสนามีแต่เก่เลเกวราาในวัดจะได้เหรือต้องคิดดูให้ดีนะพวกท่านทั้งหลายนะเป็นตัวอย่างนะเราไม่ได้คิดใกลนะเราคิดไกลนะพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่ก่อนได้รับการศึกษาดีแล้วต้องทําตนให้เป็นตัวอย่างผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่มันจริงจะถูก มีอะไรมีจะพูดออกก็เลยเหมือนกับเสียมไปกดขี้เหม็นถึงพูดออกมาแต่ละคําใช้ได้หรอไม่ได้นะต้องพูดออกมาต้องเป็นสัมมาวาจาแนะนำสั่งสอนหรือไม่พูดถ้าจะพูดลองอไปถ้ามันจะผิดําไม่พูดไม่แสดงอกับกริยาทั้งหมดไม่พูดลงน้าร้อนก็เหมือนกันอย่าไปโม้ไปคุยกันจนเกินไปตรงนั้นไม่ใช่ลงสุรา ลงดื่มน้ําพอดื่มเสร็จแล้วก็รีบไปอิม่มฉันให้พอให้เพียงพอผมไม่เคยห่วงเคยห้ามอะไให้ฉันเท่านั้นให้ฉันตอนนี้ผมไม่ได้บากแต่ฉันให้เพียงพอแล้วก็ฉันด้วยความประหยัดจะไปเท ท, ทิ้งๆของขว้างพกของทุกอย่างเราเป็นฆราวาสมาแ ล, แล้วเรารู้ว่ามันเป็นยังไงการทํามาค้าขายการซื้อของมาใช้มากินมันเป็นยังไง ลราเป็นพระเนียเมื่อเรามาเป็นพระลืมตัวได้เหรอไปลืมตัวไม่ได้นะผมไม่ให้ลืมตัวนะองค์ไหน ใ, หใช้ของไม่รู้ไม่รู้จักประหยัดอีดุยชูเฉกนั้นละบอกมาพวกสบงพวกสบกูเหมือนกันที่เอาไปใช้ในตองหาอะไรครอบในบริเวณนั่นเราจะไปตากผ้าแถบแถบนั้นถ้าใครตากผ้าแถบนั้นตากแล้วให้ผมให้สิทธ์ แก่ผ้าที่อยู่เวรน้ำร้อนม้วนมวนฟาดเข้าป่าโยนเข้าป่าได้เลยถ้ามันผิดมาหาผมหลวงพ่อผมได้โยนผ้าเข้าป่าแล้วนะบอกมาเลยผมให้สิทธิ์อันนี้ผมเคยทำมาแล้วที่บัตดัดผมบอกว่าอย่าไปตากผ้าแถวนี้นะแถวรอบบ่อนี่นะถ้าอาบแล้วก็ต้องเอาไปตากที่กุฏิที่มิดชิดไม่ช่อาจะตากสุม 4, สี่ซุมห้าดูไม่ดีอย่าม า, าตากแถวนี้นะ ก็ยังมาตาอยู่ผมก็จับม้วนม้นม้วนฟ า, าดเข้อปลายม้วนม้นฟาดข้อปายภาพเปียบนฟาดข้อปลายได้ไกลได้ใช่ไหมเงินก็โยนลูกฟุตบอลน่ะน่อยหายเงียบไปไม่มีใครกล้าพูดปไ ะ, ะนานนานโผมาอีกเอาอีกนี่แหละมันดูแล้วเป็นตัวเองไม่ได้คิดเนี่ยพวกตัวเองมันหยาบมันไปรู้แต่คนอื่นเห็นอย่างไปเมื่อกี้เนี่ย ไปวัดโบวอนไปกราบท่านเจ้าพกุลสมเด็จพระวรนรัตน์สมเด็จใหม่ท่านบอกว่าผมเดินไปที่นั่นอนะ่ะไปเห็นผ้าตากอยู่ข้างนอกนะข้าผ้าตากอยู่ในชังนข้างนอกกุฏิเนะี่ยมันไม่งามเลยนะทําไมจะให้ไปตากผ้าอย่างนั้นอนะ่ะผมไม่ได้ไปดูนะมันน่าจะตากให้มิดชิดนะตากผ้านะเสื้อผ้านะะเห็นไหมท่านผู้ละเอียด ท่านเห็นแล้วท่านรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรแต่เราเนะมันหยาบมันมองไม่เห็นหรอกถ้าใครเตือนเขามาขนาดนัโมโหโก้ทาให้แก่เขาอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะมันหยาบมันไม่มองไม่เห็นว่าความละเอียดนั่นคืออะไรความถูกต้องความสวยงามของชุมชนของสังคมของประเทศชาติมารยาิของคนไทยเป็นยังไงเราไม่ได้ดูเราไม่ได้คิด เพนั้นขอให้พวกเราทุกอง น, นะที่ผมพูดทางนี้ทางนั้นพูดให้คิดทางนั้นแหะไม่ได้พูดให้เสียอกเสียใจอะไรทั้งหมดพูดให้คิดคิดและปรับปรุงแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้เล ย, ยอยาอยู่ถ้าตัวเองยับยั้งตัวเองไม่ได้แนละ้วผมก็ไม่ได้อยากจะให้โอยู่ด้วยนะไล่นี้เลยหนีออกไปเลยถ้าจะยับยั้งตัวเองได้อเออ บ, บังคับตัวเองได้ให้ยู่เป็นอวัยวะของผม แต่ดูดูแล้วท่าว่ายับยั้งตัวเองไม่อยู่ดันทุลังไม่ยอมฟังใครกันนั้นอ่ะเหมือนกับนิ้วเท้าของผมนิ้วมือของผมเป็นมะร็งผมจะต้องตัดทิ้งจําเป็นต้องตัดทิ้งถึงจะรักเสียใจขนาดไหนก็ต้องตัดทิ้งเพราะเหตุไรเพราะว่าไม่อยู่ในกรอบศีลธรรมจริยธรรมหลักพระธรรมวิมนัยนั้นในพวกเราทุกองคหน้าที่พูดทางนี้ทางนั้นเนี่ยเป็นการเตือนยำ้ำย้ำเตือน ให้พวกเราหนักแน่นในหลักพระธรรมวินัยถ้าหากว่าพวกเราอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยแล้วมันสบายใจนะภาวนาก็จิตใจก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายพราเห็ุไรพวกความพร้อมเพียงสมรคีของหมู่ของคณะถ้าหาว่าพวกเราพูดอะไรกันไมิแต่กินอกกินใจกันพูดอะไรกันปรมีนันหมัดแต่มวยมิแต่นักพงนักเลงเนี่ไม่แต่คนเก่งๆทั้งหมดนะภาวนามันไป ไ, ปไปเรื่องนะไม่ได้เรื่องนะ มันอยู่ด้วยกันเหมือนกัะดงนักเลงอย่างนั้นนะมันไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่ดงนักเลงนะดงปฏิบัติธรรมนะเอาคุณงามความดีมาอวดกันนะไม่ใช่เอาความชั่วกิเลสราคาโทสะโมหะมาอวดกันนะเอาคุณธรรมมาอวดกันนะตรงเนี้ยวัดของเราเอาคุณธรรมมาอวดกันอย่าไปเอาสิ่งที่มันชั่วช้าลามกมาอวดกันใครๆก็มีทั้งหมดอยู่กับหมาก็มีเห็นไหมมันกัดกัน ถ้าจะมาอยู่กับพระกรรมฐานได้ออยังไงอยู่กับหมามันก็มีหญยงเขี้ยวเสียกันแล้วกิเลสอย่างนั้นจะมาอยู่กับกรรมฐานเหรอสมควรแล้วเหรอเตรียมมาอยู่กับพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาเพื่อจะชำระ ก, กิเลสราคาโทสะโมหะแล้วมาแบกเอากิเลสอย่างนั้นมาอยู่ในหัวใจอ่ะมันถูกลแล้วเหรอแล้วไปกินข้าวชาวบ้านเขาอีกต่างหากมันคุ้มค่าชาวบ้านเขาไมหมกิเลสอย่างนั้นอ่ะ ถ้าขอบริจาคเข้ามาเขาคงจะเสียใจให้หมากินดีกว่าเขาจะว่าอย่างนั้นอีกแลยทําไมเราไม่คิดให้ไกลๆทําอะไรคิดอะไรต้องคิดให้ดูให้รอบคอบเพราะเรานเป็นเหมือนกับเราขึ้นเวทีเวทีมวยเวทีหมอลําเวทีไทยปาร์กอย่างนั้นคนทุกคนเขามองเราอยู่ตลอดมองเราอยู่ทุกอิยาบทเพราะนั้นเราต้องพยายามตีจะทํำยังไงจึงจะเป็น กับกริยายอย่างไรจึงจะถูกต้องตามสายตาของคนถูกต้องตามหลักพระธรรมที่ไหนไม่ใช่ว่าขึ้นไปเลยเกียรการละลานไปเรื่อยไม่ได้แล้วไม่ถูกนะพวกท่านทั้งหลายนะคิดให้ดีนะตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมโภค